ตอนอบรมจริยธรรมคณะคุณครูโรงเรียนศูนย์พารานคอยระหว่างวันที่แปดถึงสิบสองพฤษภาคมสองพันห้า้อยหกสิบตอนที่เก้าก็ยังมีเวลาอีกหน่อยหนึ่งเนาะนั่งเป็นปกติลูกให้พกูพูดอะไรสรุปนะอันนี้องค์กร น, นี้เรียกว่าชือจี้นะชือจี้เนี่ยอยู่ไต้หวันนะ เขาเกิดขึ้นตอนเมื่อประมาณสี่หปีที่แล้วนะพวกครูสมัยก่อนก็ประมาณนี้นะอยู่กรุงเทพค้าขายต่างประเทศเป็นเอเย่นเครื่องสีข้าวจากไต้หวันก็ไปบ่อยแต่ตอนนี้ตอนนั้นชื่อจี้ยังไม่มีชื่อเสียงนะยังเป็นองค์กรที่ไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไต้หวันเองเนี่ยเป็นประเทศเล็ก นะซึ่งผู้นำหนีมาจากแผ่นดินใหญ่แล้วก็มาตั้งจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่ถึงหกสิบปี60กว่าปีแล้วละ่ะ60สกว่าปีนะเขาสร้างประเทศเขาตอนนี้เขาเจริญกว่าประเทศไทยประเทศไทยมีอายุหลายร้อยปีนะจริงๆแล้วตอนพรอกูค้าขายที่นูนเนี่ยคนไทยรวยกว่าคนไทยไปเที่ยวไต้หวันเพราะว่าเงินบาทไทยหนึ่งบาทเท่ากับ ไต้หวันสองเหรียญ น, นะทำไปทำมาตอนนี้เงินเขาหนึ่งเหรียญเท่ากับเงินบาทบาทกว่าเขาใหญ่กว่าเราแล้วจากเขาเล็กกว่าเราเท่าตัวตอนนี้เขาใหญ่กว่าเรานะเพราะคนไทยเรามัวแต่ทะเลาะ ก, กันอยู่นะเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าเขาเรามีพื้นที่ใหญ่กว่าเขาสิบสี่เท่านะเหมือนญี่ปุ่นเหมือนกันเกาะเท่ากําปั้นมีแต่ภูเขา เป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองนะเขาก็ใช้เวลาไม่กี่สิปีพัฒนาประเทศนะตอนนี้ปกติเขาอันดับสองของโลกเศรษฐกิจตอนนี้ก็ถูกจีนแซงเป็นอันดับสคือมันเปรียบกันไม่ได้เลยระหว่างญี่ปุ่นก็เล็กกว่าเราแผ่นดินเขาก็เล็กกว่าเราประชากรเขามากกว่าเราเท่าตัวนะเขาแออัดมากกว่าเราพื้นที่เขาไม่อุดมสมบูรณ์นะแต่ทรัพยากรอย่างหนึ่งที่เราเหนือกว่าเราเนี่ย หลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นคือทรัพยากรมนุษย์มนุษย์เขาเป็นมนุษย์ซึ่งมีวินัยมากนะตอนที่เราอยู่อเมริกาเรามีร้านอาหารพ่อกูมีลูกน้องหลายชาติเด็กๆที่เขาไปเรียนจากลาวขเขมรไทยไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นนะใครไปใหม่ๆภาษาอังกฤษไม่เก่งต้องอยู่ในครัวนะคนญี่ปุ่นคนหนึ่งไปเรียนปริยาโทนะเขามีมีด มีดชุดหนึ่งเนี่ยมีที่บรรจุมีดเลยมาทำงานไม่เคยสายไม่แต่นหนึ่งวันนะหลายปีไม่เคยสายเลยมีวินัยมากพอวันหนึ่งปุ๊บเขาก็จัดเซสชั่นเขาทำงานก่อนจะเลิองานสิบนาทีนะเขาก็เก็บทุกอย่างของเขาไว้ในที่ตั้งแล้วก็ฝนมีดทุกวันเก็บปุ๊บเสียบปุ๊บนะ มียดญี่ปุ่นคมที่สุดในโลกนะบางที่สุดแก่งที่สุดนะเพราะว่าพ่อกรก็เคยนั่งนะมีคนไทยคนลาวเขเมรแล้วก็ญี่ปุ่นนั่งแล่เนื้ออยู่เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะเอาผ้าชุบน้ำมาวางไว้เขาเชือดปุ๊บอดหนึ่งเขาก็เช็ดเขาเสียเวลามาเช็ดแล้วก็เชือดแล้วก็เช็ดแล้วก็เชือด จับเวลาแล้วเนี่ยเขาเชื่อได้มากกว่าคนชาติอื่นทั้งหมดคนไทยเราเชื่อเชื่อยังไงรู้ไหมเชื่อเชื่อเชื่อมีดมันทื่อหมดเราก็เชื่อเชื่อเชื่ออยู่ตรงนั้นแหละเพราะเลิกงานปุ๊บทิ้งตื่นเช้ามาก็หาน้วนหานี่อะไรเนี่ยไอ้นี้เราสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าสมองเราเนี่ยคนไทยไม่ได้แพ้ชาติไหนในโลกนี้แต่ไอวินัยตัวนี้เราอ่อนแอมากเลย นะประเทศเรามีประวัติศาสตร์มากกว่าเขาในน้ำมีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์ทำไปทำมาตอนนั้นเกาหลีก็สู้เราไม่ได้ในโซนนี้เราไม่ได้แพ้ใครนะนะมาเลเซียไม่ต้องสู้กับเราอะไรเนี่ยพูดถึงถ้าประวัติศาสตร์ยาวนานเรามีเวลาสร้างประเทศนานกว่าเขาเวียดนามกาลังจะแซงแล้วเขาเกิดสงครามกลางเมืองหลายปี พึ่งได้อิสรภาพไม่กี่ปีนี้เองเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะแซงเรานะนี่คือคนไทยนะนะคนสิงคโปร์มาปฏิบัติที่นี่เขาเคารพพ่อครูเา็เาบอกว่าเมืองไทยเป็นประเทศใหญ่สิงคโปร์เล็กนิดเดียวเมืองไทยดีทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวคือมีคนไทยมันด่าพ่อครูด้วยนะแต่ไม่ใช่คนไทยทั้งหมดแต่ว่าเนื่องจากวัฒนธรรมเราเนี่ย คือมักง่ายแบบไทยๆคือไทยแท้คื อ, คอเอ้ยเปื่อยอะไรพวกนี้ถ้าเราอยู่ตามลาพังเราอย่าไปแข่งขันกับเขาไม่ได้เรื่องผิดไปเครียดทำไมก็ดีแล้วแต่ทีนี้เกมโลกมันเกมแข่งขันแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ไม่รู้ใจเราจะอยู่ยังไงนะเอาเป็นว่าเรามาช่วยกันเดินทางสายกลางเมื่อกี้พ่อครูก็นั่งโนตจริงๆแล้วชือจี้หลายปีมาพ่อครูเปิดเป็นช่วงๆนานๆต้องเปิดเพื่อกระตุ้นพวกเราตื่นนะ อาจารย์เจิ้งเย็นเนี่ยต้องเรียกว่าพระธรรมอาจารย์เจิ้งเย็นจิตดวงนี้อยู่ในร่างของสตีตัวเล็กๆตอนนี้เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันแล้วก็ดังไปทั่วโลกมีสมาชิกถาวรทั่วโลกสิบล้านคนนะถาวร น, นะส่วนสมาชิกปีกย่อยเนี่ยนะสมาชิกวิสามันเนี่ยเขาก็มีทั่วโลกนี่แหละนะ ท่านมีอะไรดีไหมธรรมะของท่านมีอะไรดีไหมไม่นะท่านก็เป็นคนธรรมดาแต่ท่านมีเมตตาเยอะมากสามารถพูดให้มหาเศรษฐีนี่มาเก็บขยะได้ใช้เวลาเสารทิตย์มาแยากขยะเขาก็มีเงินเงินเขาก็ถวายเงินเขาก็ถวายมาทาบุญอย่างแล้วไม่พอเอาเวลาตัวเองมาเก็บขยะเห็นไหม ความเมตตาธรรมของอาจารย์เชิงเหวียนนี่ก็สามารถทำจนนี้นี่องค์กรเขาเนี่ยมีโรงพยาบาลหกแห่งระดับสากลใหญ่มากมีมหาวิทยาลัยเนี่ยผลิตแพทย์และตอนนี้แพทย์ทุกเป็นลูกศิษย์ลูกหาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นคนนะและแพทย์ชนมาเป็นคนที่มีฐานะทั้งนั้นแหละก็มาจุนเจออกกืออค์กรณนี้เนี่ยตอนเกิดส s u n a ที่บางไทยเนี่ยเาก็บินมาเลยองค์กรนี้ก็มาช่วย อันนี้คือมหายานเขาเน้นเรื่องสร้างบา ร, รมีแต่เทลวาดเราเนี่ยหนีเข้าป่าหลับหูหลับตาเอาตัวรอดคนละแบบนะไม่ใช่ไม่ดีนะดีคนละแบบแต่ว่าประโยชน์ของมันเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติมันน้อยมันเป็นเรื่องของปัจเจ็บนะ ถ้าถามพระครูเป็นยังไงพรอครูเอาสองอย่างมารวมกันก็คือไม่ปฏิเสธทั้งสองอย่างเดินทางสายกลางนะการทำงานเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมนะการให้เนี่ยก็คือการให้ทานไงทานศีลประวนาก็คาสอนพระพุทธเจ้าไงนะแต่ น, นี่เราไปปิดตัวปัจเจกนะก็คือเอาเอาเอาเฉพาะตัวตนนะอันนี้คือแนวเรา แนวแนวเถรวาดเราส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแล้วก็ส่วนน้อยก็โอเคก็เขามีบอกว่ามีอะไรล่ะมีวิวปัสสนาทุระนะแล้วคันถาทุระคันถาทุระก็คือมาพัฒนาวัตถุสร้างวัดสร้างว่า วิปัสนาธุระก็คือเจริญวิปัสนาจริงๆแล้วสองอย่างนี้ไม่ได้แยกกันมันต้องอยู่ด้วยกันอันนี้บ้านเราแยกว่าพวกเธอวิปัสนาธุระฉันคันถาธุระฉันสร้างอย่างเดียวบอกให้โยมทําบุญอย่างเดียวนะแล้วบางทีตัวเองก็ลืมก็ลืมทําบุญวิปัสนาธุระกัวิปัสนาธุระอย่างเดียวก็ไม่ยุ่งกับสังคมด้วยอันนี้พวกครูว่าค่อนข้างเข้าใจผิดนะทั้งสองอย่างเนี่ยต้องไปด้วยกัน นะต้องไปด้วยกันนะคือมันมีธรรมะอะไรหลายอย่างพราะครูไปพบเมื่อหลายปีก่อนว่าเอ้ยไหลออกมานะคพูดห ล, หลายอย่างพระครูยี่สบกว่าปีก่อนพราครูก็เป่องออกมาแล้วเหมือนหมอในอดีตนี่เห็นคนไข้ทุกวันหมอทุกวันนี้เห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนนะพอเปิดอนามัยพราครูบอกไอ้ไอิห้องห้องหนึ่งเฮียนห้องตรวจคนไข้ ในโรงพยาบาลที่ไหนมีแต่ห้องตรวจโรคชื่อจี้เขาชัดเจนมากเลยเขาสอนหมอเนี่ยนะให้รักษาคนไม่ใช่รักษาโรคเพราะครูบอกแล้วโรคอย่าไปรักษามันเวียงมันทิ้งรักษาคนไว้อันนี้หมอเขาต้องรักษาโรคไว้เลี้ยงยามึงต้องกินยาตลอดชีวิตไม่งั้นหมอจะไม่รวยไงเนี่ยหมอทุกวันนี้เป็นแบบนี้เห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนแต่พระอาจารย์เจ้างเหยียนนี่ท่านไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องเรียก พระจริงๆแล้วเนี่ยระดับเขาเนี่ยถ้าเป็นระดับเนี่ยมักเอิญว่าเขาไม่มีตัวตนเท่าไหร่นะต้องเป็นระดับพระธรรมอาจารย์เจ้งเหรียนนะคำว่าพระนี่ไม่เกี่ยวกับเพศไม่ใช่เพศชายเพศหญิงมันหมายถึงจิตดวงนั้นนะผู้หญิงเราก็เป็นพระนะสมัยก่อนก็มีภิกษุณีตอนนี้ สังคมไทยยังไม่ยอมรับเท่าไหร่นะก็ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายนะเกี่ยวกับจิตเราเนี่ยสภาวะจิตของจิตเราเป็นยังไงเราจะทำไหมในขณะที่เขาเขาสร้างเครือข่ายเขาหญ่มากก็แต่ละปีเนี่ยนะเพราะกูเคยศึกษานะเงินบริจาคเป็นแสนล้านแสนล้านหยวนของไต้หวันทเท่ากับเทนี่แสนกว่าล้านนะ แต่ภิกษุณีอยู่แบบส ม, มถะต้องผลิตเทียนขายเองปลูกผักนะมันไม่เกี่ยวกับเงินมูลนิธินั้นมูลนิธินั้นก็ไปสร้างกุศลเขาทาตัวเป็นแบบอย่างนะเขาทำตัวเป็นแบบอย่า ง, นะาบบางมันจึงเกิดความศรัทธานะการให้ก็คือคาสอนพุทธเจ้านะพี่นุ่นที่เป็นนั่นก็ไปดูเนี่ยแกก็พูดอะไรตรงตร ง, ตรงแกสนทนาระหว่างวันสิงนะวันสิงเคยมาที่นี่ คุยกับพระครูหกวันเด็กหนุ่มคนนี้เขาเขาก็มีสภาวะธรรมของระดับหนึ่งไปทั่วโลกไปสัมภาษณ์องค์ดาลามะผู้นําทางจิตวิญญาณทั่วโลกหลายรัฐที่าศาสนานะก็หลังจากเขากลับจากที่นี่แล้วเนี่ยในในเว็บของเขาเนี่ยเขาบอกนับถือาศาสนาพุดที่ผ่านมาเขาไม่ได้นับถือาศาสนาใดๆนะเป็นคนหนุ่มที่ต้องการเหตุและผล นะแต่เขามอที่นี่หกวันแล้วเขาเหวียงด้วยเขาคุยกับพระครูจากนี้ไปเขายอมแล้วว่าเขาเป็นพุทธแต่ไม่ใช่เป็นพุทธซึ่งหลงมงมงายนะเป็นคนรุ่นใหม่นะทีนี้เขาคุยกับพี่นุ่นเมื่อกี้เนี่ยการให้ทานนะเขาบอกว่าอย่างเราให้ให้เงินขอทานเนี่ยมันถูกไหมเห็นไหมเหมือนส่งเสริมให้มันไปขอไงเนี่ยวันนศิงยังติดบ่วงเรื่องหนึ่ง เหตุผลทําบุญยังตามบุญอยู่แต่พี่นุ่นบอกว่าไม่พี่นุ่นบอกว่าให้ก็คือให้แล้วอันนี้คือสุญญาตาทานซึ่งฉือจี้พระอาจารย์เจ้าแยงเขาทําอยู่คําว่าสุญญาตาทานคือทานซึ่งไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้สักะว่าเบี่ยงทิ้งเวี่ยงความโลภความตัญญูเราทิ้งให้เราก็คือจบแต่บางคนให้แล้วยังต้องมีเงื่อนไข เอ้มันถูกมันผิดมันดีมันชั่วอันนี้ไม่ใช่ทานอันนี้เป็นแค่บุญกิริยาคือกิริยาในการทําบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยนะจิตยังมีอามิ t h อยู่นะก็พราะครูว่าในยุคเราเนี่ยโดยเฉพาะสตรีตัวเล็กๆ เ, เนี่ยซึ่งเรียกว่าพระธรรมอาจารย์เชิดเขียนเนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างของผู้เดินทางในสายธรรม นะซึ่งชัดเจนมากแล้วก็พอเมื่อกี้เนี่ยวันณสิยงกับพี่นุ่นสรุปเนี่ยนะวันเสีงก็บอกว่าเขาก็ชัดเจนหลังจากไปเห็นอาจารย์เจ้งเหยียนเนี่ยเขาสามารถทำความดีซึ่งเป็นนา ม, มาทำเนี่ยให้มันเป็นลูกประธรรมอย่างชัดเจน จนสามารถเอามหาเศรษฐีมานั่งเก็บขยะได้นะเนี่ยเขาสามารถทำความดีนะซึ่งเป็นคำสอนพทธเจ้าเนี่ยให้มันเห็นเป็นรูปธรรมนะทีนี้วั น, นสิงห์ก็เป็นออกมาว่าทำไมท่าน อาจารย์เจ้งเวียนจึงชัดเจนขนาดนี้ทําไมท่านชัดเจนขนาดนี้เนี่ยคาตอบคือท่านมีเมตตาทำถ้าไม่เมตตาบริสุทธิ์แล้วทําอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วก็มีปัญญาด้วยถ้าไม่มีปัญญาก็ทําไม่ได้นะก็เนื่องจากมันเกิดมาจากข้างในถ้าจิตมันไม่เข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีความอดทนทําแบบนี้หรอกในขณะที่เราทําดีจะเจออุปสรรค อุปสรรคกนันดับแรกคือจิตเราไอ้ใจเราที่มันฝ่ายกิเลสเนี่ยมันไม่ยอมให้เราทำหรอกเพราะเรายังไม่รวยพอเลยนะบางคนอยากรวยอยากรวยยังไม่พอเพราะพระครูเทศอะไรเนี่ยก็เคืองกิเลสมันเคืองนะฉันยังไม่พอเลยเนี่ยฉันจะไปทำบุญได้อย่างไรนะแล้วการทำบุญของเขาชัดเจนมากทุกครั้งที่เขาให้เขาต้องขอบคนคนที่รับของเขา ต้องขอบคุณที่เขายอมรับยอมเป็นฐานที่ตั้งแห่งการสร้างทานบา ร, รมีของเราการให้นี่อย่าไปหลงว่าตัวเองเป็นผู้ให้มีอัตราตัวตนฉันให้เธอยังไม่รู้สึกดีเลย อ, อันนี้อันนี้ผิดวัตถุประสงค์การให้แล้วยิ่งให้ยิ่งมีตัวตนหลงว่าตัวเองเป็นผู้ให้ตัวเองยิ่งใหญ่อันนี้โง่แล้วการให้คือการลดตัวตนลดอัตราเป็นการฆ่าอัตราตัวเองฆ่าความโลภความประหนีของตัวเอง นี่เป็นการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสอย่างหนึ่งยิ่งให้ก็ยิ่งไม่มีตัวตนนะจนสุดท้ายเนี่ยเราต้องนอบน้อมถ่อมตนเราเห็นเขาเดือดรนะ้อนนะเออล้วก็ขออนุญาตนะเออฉันช่วยเธอได้ไหมเออเราให้เธอดินี้ได้ไหมนะต้องนอบน้อมถ่อมตนแล้วต้องขอบคุณเขาด้วยว่าเขายอมรับการให้ของเราอันนี้แหละคือให้ แล้วเกิดมรรคผลถ้าไปหลงกับตัวเองเป็นผู้ให้ตัวเองยิ่งใหญ่แล้วอันนี้อันนี้เสียของนะถ้าอย่างนั้นนั่งเฉยเฉยดีกว่าไม่มีอัตตาพอยิ่งให้ยังมีอัตตานนัน้อันนั้นไม่ใช่นะนี่ก็ว่าบางครั้งเราเอาเรื่องนี้มาสํารวจตัวเองนะถ้าเรามีอารมณ์ตัวนี้แล้วเนี่ยต้องจัดการตัวเองไม่ใช่เป็นเพราะเธอเป็นเพราะเธอฉันให้เธอฉันช่วยเธอขนาดนี้ยังไม่รู้จักดีอีกนะไปว่าเขาอีก จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความหลงตัวเองต่างหากมีหลายๆอย่างน่าศึกษานะและทีนี้บังเอิญบางช่วงเนี่ยเขาพูดภาษาจีนเนาะนะแล้วเขาไปเขามีคําอ่านไทยเราอาจจะฟังไม่ไม่ทันนะนะพระอาจารย์เจ้งเสยงว่าบางทีเนี่ยคนพุทธเราเนี่ยกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอนนทนขอนี่ส่วนมากขออะไรนะ โดยเฉ่าฝ่ายสายจีนน่ะนะสมัยก่อนพ่อครูไปลงเจนเนี่ยกับอาม่าเรื่อยๆเนี่ยสวดขอโน่นขอนี่ขอให้ลูกหลาน อ, อ, อยู่เย็นเป็นสุขขอให้มั่งมีสีสุขอะไรอาจารย์เช่นเย็นบอกไม่ใช่พุทธพุทธไม่ได้สอนให้ขอนะที่ไปไหว้นี่เพื่อไปขอโน่นขอเนี่เพื่อให้อนาคตเราดีขึ้นทั้งนั้นแหละอันนั้นไม่ได้ทาบุญนะอันนั้นไปขออันนั้นเป็นขอทาน นะพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นที่เรากล่าบไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้กล่าวไหว้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็ขอน่นขอนี่ทำบุญไปร้อยหนึ่งสาทุให้ถกระวันที่หนึ่งนะอาจารย์เช่นเหวียญก็บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นอันนี้เข้าใจผิดแล้วนะทำบุญเพื่อสละความสลัดความโรภความตันีออกสลัดอัตตาตัวตวนออกนะที่เราก่าบไหว้เนี่ย เพื่อนอบน้อมทบต น, นเพื่อตั้งสตินะอันนี้เราทำบุญพะกิเลสเพื่อสนองกิเลสนะอันนั้นมันไม่ได้เป็นบุญมันเป็นแค่กิริยาเหมือนเราทำบุญถ้าถ่ายวีดีโอเห็นหมสมมติว่าตอนนี้คนคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งมีคนใชาเจ้านายสั่งว่าพรุ่งนี้มึงตื่นตีห้านะออแล้วก็ไป น, นึ่งข้าว โ น, น่นอาหารเมื่อวานซื้อมาแล้วเนี่ยก็ไปใส่บาทผ้าซะเออเนื่องจากเจ้านายทำงานหนักไนอนก็ตื่นสายหน่อยหนึ่งอันนี้ตื่นงงเงยขึ้นมาเนี่ยเบือบ่อเบื่อขี้เกียจทาไงเห็นไหมแต่ถูกสั่งก็ไปทําทําแล้วก็ไปใส่บาททุกเช้ามีคนมาแอบถ่ายวิดีโอทุกวันอ่ะโอ้อ น, นี้มันใจบุญมากเลยมันทาบุญทุกวันแต่มันทาด้วยจิตหมน่นหมองนีมง่มันไม่ได้อะไรเลย แต่คนที่สั่งมั น, นได้เต็มๆแล้วได้เต็มๆนะกรรมชี้เจตนาแต่ถ้าคนคนนี้เนี่ยเอ่ยยินดีด้วยเจ้านายสั่งแล้วทำอย่างมีความศรัทธามีความสุขนั่นแหละอันนี้ก็ได้เต็มๆเหมือนกันนะบางคนมีโอกาสแล้วแต่ไม่เข้าใจโอกาสนั้นปล่อยโอกาสนั้นหลุดลอยไปนะจิตซึ่งมีกิเลสเยอะๆเนี่ยไม่ค่อยชอบฟังธรรมหรอก เบื่อไม่สนุกนะเพราะว่าความโลภของมันเนี่ยมันไม่อยากฟังเรื่องนี้ฉันมีแค่นี้ยังไม่พอแล้วไปทําความดีทําไมนะอันนั้นคือชีวิตเราจะมีปัญหาแน่แนความอยากคือที่มาของทุกข์จาำไหมนะคนอื่นไม่รู้จิตเรามันทึกแล้วสักวันหนึ่งเราจะเกิดเหตุหามาเกือบตายเดี๋ยวเกิดอุปัตเหตุเนี่ยพับเดียวก็หมดนะ เมื่อเช้าพวกครูนับจำนวนเนนถ้าเราจัดข้าวของที่เราจะใส่บาตรเนี่ยรอยี่สิบอันนี้ถือโอกาสพูดมันเป็นธรรมมากเหมือนกันเรื่องนี้วันอาทิตย์พวกครูพูดแล้วคุณครูยังไม่ได้ยินขอพูดอีกทีหนึ่งนะที่บอกว่าเศรษฐีคนหนึ่งเขามีใจบุญมาก เขาชอบแจกทานเขาก็ให้ลูกน้องเขาไปเช็คดูในชุมชนหน่อยมีคนจนกี่คนประกาศปุ๊บเขาออกมาปุ๊บก็ น, นับนับนับนับนับนับนับห้าร้อยคนอีกคนหนึ่งไปแอบอยู่ข้างๆอันนี้ขี้เกียจมากมันกลัวว่าประชุมทีไรไม่จะใช้ให้มันทำงานส่วนรวมแล้วไม่เคยมีใจบุญถุนทานแล้วจนนะอดีตเขาเกิดเคยเกิดเป็นคนรวยนะ แต่เป็นคนรวยซึ่งเอาเปรียบคนจนมีแต่ลังแกเขาไม่เคยทำทานเลยเมืเกิดมาเป็นคนจนแล้วเป็นคนจนที่ไม่เอาไหนอีกขี้เกียจสันหลังยาวไม่เคยช่วยเหลือสังคมมันก็แอบทีนี้ลูกน้องไปรายงานเสียถีว่ามีห้ารอคนเสียถีบอกสั่งหนึ่งชุดฉันจะทำบุญแจกทานสามวัน พอวันแรกมาเขาก็มาห้านระ้อยคนมาไอคนนี้มันบอกเออไอพวกนี้โ ง, งไนะ่ไปทำไมเช้าๆล่ะนะไปทีหลังก็ได้มันก็ไปอยู่ข้างหลังทีนี้เศรษฐีก็แจกมาวันนั้นเขากลุ่น้อมก็จัดมาให้ห้าร้อยชุดแจกไปถึงห้าร้อยปุ๊บมันเป็นคนห้าร้อยหนึ่งมันไม่ได้ทีนี้มันบอกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มันต้องมาเช้าที่สุดมานั่งรอที่หนึ่งเลย วันที่สองลูกน้องก็จัดให้เศรษฐีอีก5้าร้ชุดเศรษฐีจำได้ว่าเมื่อวานในคนสุดท้ายมันไม่ได้เศรษฐีก็ไปแจกจากที่หลังก่อนแจกมาถึงข้างหน้าปุ๊บก็เหลือมันก็ไม่ได้อีกแล้วทีนี้วันนั้นวันที่สมเศรษฐีก็บังเอิญว่าเออคุณนายตื่นเช้าพอดีชวนคุณนายบอกว่าเออภรรยาเศรษฐีไปไปช่วยทาบุญกัน สังลูกน้องแบ่งเป็น250 2 5อาอ้ยไอคนนี้มันมาทีวันวันแรกมันมาข้างหลังมันก็ไม่ได้รับวันที่สองมันไม่รับแต่นี้มันฉลาดมันไปอยู่ตรงกลางบังเอิญตรงกลางที่มันอยู่เนี่ยมัน2 5 1ดพอดีทีนี้คุณนายก็แจกตั้งแต่ข้างหน้าเสร็จทีแจกมาข้างหลังมันก็ไม่ได้อีกเมื่อเช้าเนน้อยคนหนึ่งไม่ได้ออกมารับ่าน ไม่มีโอกาสได้รับเงินบุญนะส่วนมากไปขโมยเงินบาปขมมาชัยเห็นหรื อ, อยังพระครูใส่ใจทุกเรื่องนะคือครูขีทุกปีเขาต้องจัดซองนะพุกลายงานว่ามีพระภิกษุกี่รูปกี่รูปกี่รูปกี่รูปกี่รูปเมื่ or, iety, อเช้าพระครูก็ไปนั่งเออ ท่านให้พอรอยู่เพราะกูก็เหลือไปถามว่าเนนเนนหายไปไหนรูปหนึ่งบอกไม่ออกมาก็เป็นเนนที่เรารู้กันใช่ไหมคนนี้ไม่ชอบใช้เงินบุญหรอกใช้เงินบาปแต่เพกกราะกูก็เมตตาพยายามจะเปลี่ยนอยู่แต่จนถึงมาเช้านี้ก็สอบตกเห็นไหมมันทำกรรมชั่วมายังไงมันก็ไม่ได้รับเงินบุญ เพราะชอบขโมยเงินเขาอื่นไปใช้เหมือนกันเลยวันอาทิตย์นึงก็พูดพืชมาเห็นไมแค่เมื่อเช้ามาเดินบินธบาาเฉยเฉยเนี่ยเขาก็มีปัจจัยถวายแล้ว ก, ก็ก็มีปัจจัยเอาไปใช้ไงนะอันนี้บุญบาทมีจริงนะนะเราขโมยทำอะไรเนี่ยคนอื่นไม่รู้จิตเราบันทึกไว้แล้ว ถึงว่าเราจะขโมยเงินเข้ามาหรือจะไปโกงเข้ามาหรือจะเอาเปรียบองค์กรเนี่ยได้เงินมาปุ๊บเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะเดี้ยงไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องแย่งงานโยมบาลทำกรรมที่มันบันทึกในจิตเราเนี่ยเดี๋ยวมันส่งผลเองนะเรื่องนี้อย่าอย่าประมาทนะไม่จำเป็นอย่าไปทำนะก็อาสาสมัครของพระอาจารย์เจิ้งเหยียนเนี่ยคุณต้องฝึกก่อนนะไม่ใช่ใครๆจะเป็นก็นได้ นะฝึกจนเป็นนอบน้อมถ่อมตนเป็นจิตอาสาจริ ง, รงๆนี่เขาถึงจะให้เป็นนะนะแล้วไม่ใช่เป็นคนยากคนจนมาเป็นจิตอาสานะมีแต่คนมีฐานะทั้งนั้นแหละนะทีนี้พระอาจารย์เจิ้งเหวียนเนี่ยท่านก็วัดของท่านนะสมัยก่อนก็อยู่บ้านนอกนะอยู่ในเมืองเล็กๆะนะท่านไปโรงพยาบาลเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะทุกข์มากเล เท่านก็เริ่มต้นจากเอาสมาชิกของท่านในแค่30คนนะคนหนึ่งบริจาควันหนึ่งห0บเซนห้บเซนในตอนนั้นะ่ะเทียบกับเงินไทยนิดสลึงหนึ่งใส่กระบอกไม่ไผ่ไว้ <c oughs> จนสุดท้ายวันนี้เนี่ยท่านสามารถสร้างมหาวิทยาลัยวิจัยไไม่ชีโรงเรียนอนุบาลประถมมัธยมนะวิทยาพยาบาลวิโรงพยาบาลหมอ โรงพยาบาลใหญ่โตอีกหกแห่งนี่ผู้หญิงตัวเล็กๆไง น, นะแล้วสามารถปลดปล่อยความทุกข์ของผู้คนเนี่ยเป็นล้านล้านคนอันนี้คือความยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะๆรวยรวยแล้วยิ่งใหญ่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยแค่มีเงินเยอะเท่านั้นเองไม่เห็นมีประโยชน์อะไรนะ ก็เมื่อกี้นี่เป็นการแสดงธรรมของภิกษุณีนะท่านกำลังทำเทียนอยู่พวกเราอาจจะฟังฟังฟังไม่เข้าใจนะแล้วก็อ่านเนี่ยท่านบอกว่าตรงเทียนเนี่ยก็คือว่าหน้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิ10บองศา10องศาหนาวไหมเนาะของเราส4 0ี่องศานะ หน้าหนาวนั่นขบนยังต้องเปิดพัดลมข้างล่างอยู่กับความร้อนของการต้มเทียนท่านบอกว่านี่แหละคือการปฏิบัติธรรมต้องฝึกขันติทั้งหนาวทั้งร้อนอยู่ในที่เดียวกันเลยนะแล้วก็จดจ่ออยู่การทํางานนั่นคือธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะ จดจอ่อการทำดรวยอาชี่ไม่ว่าต่อหน้ารับหลังไม่ใช่ไปทําเพื่อสร้างฉากให้ให้คนอื่นรู้ไม่ใช่เพราะครูเคยบอกนักเรียนที่นี่หลายปีก่อนว่าสพว่าเราถือไม่กวาดมากวาดมากวาดใบไม้เนี่ยเออกวาดเพื่อให้คุณครูเห็นคุณครูจะได้ชมว่าเราเป็นคนดีนะทําแค่เขาสั่งเฉยเฉยไม่ได้ทําเพราะอยากทําไม่ได้ทาเพราะมีสํานึกแต่พอเข้าไปห้องน้ําแล้วก็ทําห้องน้ํำมันเปื้อนนะอันนี้สอบตกนะ คนอื่นไม่รู้จิตเรารู้แล้วแต่ถ้าบางคนเข้าห้องน้ำเนี่ยนะเห็นมันเปื้อนเลยถูเอาถูเอาไม่โทษเลยว่าใครทำเนี่ยนะอันนั้นได้เต็มเต็มเลยคุณครูไม่เห็นก็ช่างจิตบันทึกไว้แล้วว่าเราทำความดีถึงใครทาเปื้อนก็ช่างถ้าเรามีความรู้สึกเราก็ให้อภัยเขาเราได้ให้อภัยทานด้วยเราใช้แรงงานเราเนี่ยไปทาความดีให้คนอื่นเข้ามาใช้ห้องน้ำสะอาดสะอาดเราก็ได้วัตถุทานด้วย ได้ทั้งอภัยทานด้วยแล้วก็ได้แสดงธรรมทานด้วยก็คือว่าคนเข้ามาใช้ในห้องน้ำในศูนย์เขาก็ชมว่าห้องน้ำนี่สะอาดจังนะเร็วๆนี้กลับไปแล้วมีญาติธรรมเป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งนะมาที่นี่สองสามวันเขาเข้าไปในครัว นะเขาเข้าไปในห้องน้าแล้ววันสุดท้ายจอนจะกลับเพราะกูก็นั่งคุยกับเขาเนี่ยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเขาบอกที่นี่สุดยอดเลยนะการที่เขาจะไปดูองค์กรหนึ่งดูว่าคนในองค์กรเป็นอย่างไรผู้บริหารองค์กรเป็นอย่างไรเข้าไปในครัวก็รู้เข้าไปในห้องน้าก็รูนะ้เขาบอกว่าครัวที่นี่เนี่ย นะแม่ครัวก็ลื่นเริงทุกอย่างมีระบบสะอาดนะครัวก็ห้องน้ำก็สะอาดสิ่งแวดล้อมก็สะอาดคือคนที่เขาสังเกตเนี่ยเขาจะรู้เลยเก็บเล็กเก็บน้อยเนี่ยเขาจะเห็นถึงความคิดของคนในองค์กรพฤติกรรมของคนในองค์กรนะไม่ใช่พอเขาจะมาดูงานปุ๊บก็เก็บกวาดอะไ ร, ะ ไ, รไปเตรียมนะ ที่นี่ไม่ต้องเตรียมมาเมื่อไหร่ก็เป็นแบบนี้เห็นไหมอันนั้นมันทำหน้าฉากเพื่อผลงานเฉยเฉยเนาะนั่นแหะจริยธรรมไม่ใช่วิชาสอนจริยธรรมเป็นจริยวัรที่ทำตามปกติเป็นปกติทุกวันนะพวกเราใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันนะเด็กๆมีหน้าที่เรียนถึงเวลาก็เรียนมีถึงเวลาปฏิบัติปฏิบัติถึงเวลาไปบิณฑบาทก็บินทบาท นี่นี่คือวิถีของเรานะก็ทำไปเรื่อยๆกิเลสทุกคนก็มีมันก็อ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วก็อินทรียพร ะ, ะด้านกุศลนจิตมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะก็จริงๆแล้วถ้าจะคุยเรื่องชือจี้เนี่ยต้องใช้เวลายาวนานมากเขามีอะไรที่ที่น่าศึกษามากมายนะแล้วบังเอิญเขาเริ่มต้นตอนที่ไต้หวันกำลังจะบูม นะเศรษฐกิจมันเยอะมากนะคนทบุญที่หนึ่งสิบล้านร้อยล้านพันล้านก็มีนะเพราะตอนนั้นนะเศรษฐกิจบูมมากนะชือจี้ก็เลยพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้แล้วตอนนี้ยังเป็นแหล่งดูงานของชาวโลกทั้งหมดเนะี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆนะที่เน้นเรื่องผู้หญิงเนี่ยพรครูหลายปี28ปปีที่นี่เนี่ย 9ก้าสิบเซ็นที่มาปฏิบัติธรรมมีแต่ผู้หญิงทั้งหมดหาผู้ชายทายายากมากนะเพราะผู้ยายเขามีทางออกเขามีทางไปนะยุคนี้มันตลปัดแล้วต่อไปเนี่ยผู้หญิงจะครองเมืองทุกองค์กรทั้งหมดและโรงเรียนเราเนี่ยที่ต่อไปเนี่ยผู้ชายจะขี้เกียจเรียนเก่กมาเลยเ ก, กเรต่อไปเป็นยุคของผู้หญิงนะ จิตซึ่งมีบุญมันตาลปัดเกิดมาในตัวผู้หญิงเขาถึงบอกว่ายุค ก, กาขาวไงปกติกาเป็นสีดำแต่คำว่ายุค ก, กาขาวก็คือมันตาลปัดมันกลับข้างนะต่อไปศาสนาพุทธเนี่ยต้องจันร์ลงด้วยกาขาวโอเคนะก็จบอยู่แค่นี้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวอีกสิบนาทีเข้าห้องน้ำปฏิบัติกันเวียงเต็มที่เลยนะคุณครูอย่า ก, กักไว้ เอาเกลียดทิ้งไว้นในศูนย์เอาจะความดีเอากุศลนจิตกลับบ้านไปฝากครอบครัว